ไฟรถไฟประมาห์ติตัวทีจะนำาในการปฏิบัติแต่ความจริงอจะมามีความรู้สึกว่าธรรมะแต่สอการนี้ที่จะถำใ้รถไระามประมาห์ปกิที่ทวใหมาแรกดีเมื่อไาที่กาลังที่จะถำใ้รถไระกรประมก มีความรู้สึกว่าพราะมหาอภิสุงธาตุอนนาจพปัญญาโดยละเอียดของแอ้แ้วแต่เนื่องจากขอมาอัตวัอาัจะมาต้อขอถ ว, ยอถวยอายจะถอนความรู้ที่จะถวายได้แต่ว้าสำหรับจิตตาจิตตานิพพานมหาปฏิปทาีในเนวทางการปฏิบัติ รายสนักของสาวพระองค์สมเด็จพะสัมาสัมพุทธิสุคติปฏิบัตเป็นสองแบบเดกันโดยสาหรับท่านที่ไม่ได้เจตุริยญาณมาก่อนก็พิจารณาตารกระแสวัฏฐธรรมเทชนาขรองค์สมเด็จพระชินกองตามคาสอนในการพิจารณาด้วยปัญญาโดยเฉพาะ แล้วถ้มีใจเจตุบริยานะคนเลี้ยงแล้วยกเอาใจแส่กับธรรมะที่ศรทธาเขาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าแต้วด้านจิตตารูปัสจานาคนดีเรืั่นาโนปัสจานาคนดีดรอการิจารณาจะแช้จิตเป็นธรร แ, แ, แม่แสงจิตนีองค์สุเดชวัตรส่วนตัดว่ามีเกิดแสเป็นสีอยู่หสีด้วยกันแลส่วนทางปฏิบัติขย่อสันลงมาเหลือสสีเมื่อเกิดแสงเขจิตมีสีดแดงเป็นแดงว่ามีธรรมปีติชือความดีใจเป็นสีดำสีมว่ว นแไนด้ว่ามีความเสียใจในใจกับสุขถ้ามีสีโรงใสก็จะว่า็นจิตโปนเดาเป็นมมสุ ข, ขตลอทุกข์ตจิตที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในจิตแต่ละบรรดาสาวผู้ก้องสมเด็จพระบรมมโนกรนั้นมีความพอใจอยู่อย่างเดียวคือในจิตใสเท่านั้น การจิตมีรูมสีแดงคนดีมีรุมสีดำคนดีและมุมมองคนดีทุกท่านจะตังนลัจิตทุกตนนี้วันเลยวสาร์เกิไปไม่กันความพอใจในรูมสีทั้งสองที่เป็นจิตน้อมันด้านีติที่เกียวไปด้วยนี้ และกป็นจิตอิ่มโมองที่าอาศาัยอามิตเตสัมภะเพราะนัสีจิตแตส่สองนี้นั้นคิว่าเป็นจิตเลวจะต้องพยายมจักอารมณ์หาเหตุว่าเพราะอะไรท่านเสจิตใจจึงมีสีเป็นอย่างนั้นและก็ห า, าทางทําลายสี ท, ทั้งหลายเหล่านันให้พิน้าจิตไป รักษากำลังใจให้อยู่ในเขตควารูัที่จมใจเหมือนแก้วที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ความจริงแก้วใสที่มีความใสมันแกที่สาบริสุทธิ์นี้ยังไม่ถือว่าเป็นของดีที่ควรจะตั้งใจเพราะว่ายังเป็นกาลังใจอยู่ในในโลกยัจฉาน ความที่สามารถจะทำให้กิเลสให้ไปส ม, มัชย์ตระหันได้ยังมีความเสี่ยมยังมีการปล่อยแกต้องทำพยายามทางดิจิตนี้ดิจิตนี้นอกจากมีการสายสะพัดแลว้วมีกระแสของแกเป็นประสารที่ ถท่านไม่มีอารมณ์เล็บไม่มีอารมณ์คิดไม่มีอารมณ์จิตใจในสุขเวรปัญญาหรือว่าทุกขเวรปัาทุกสิ่งทุกอยา่างถือว่าเป็นมรรมดาเป็นหมดเมื่อ ม, มีอะไราปรากฏก็คงมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นแต่เพียง ว, ว่าเป็นสิ่งที่มีปรากฏจะตะาะหน้าเรายอยู่ขนาดนไม่เป็นที่อาศัยไม่เป็นที่เป็นทิ้ง จีตของท่านคนนั้นเจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจกระเป็นอารมณ์ที่เป็นอิจฉาารมณ์คนดีเพือ่อนิจฉารมณ์คนดีไม่มีความพอใจคำว่าไม่พอใจก็ไม่ใช่หมายความว่าฝืนใจมีอารมณ์ใจเฉยเป็นปกติเหมือนกับคนที่ไ ร, ร้กระสับมีการสัมผัสไม่รู้สึกตัว ประมาณเหมือนกับคนที่ตายแล้วหรือว่ารูปปั้นของตุกตาจะมีความหนาปลกงขึ้นมาจะมีความร้อนแรงขึ้นใคเจะสีสันวรนแต่ใดไปแต้งไปป้าอย่างไใดตุกตาคนตายหรือว่าตุกตาไม่มีความรู้สึกเช่นใ ใจใจของพระอริยสารุทธ์หลายที่สามารถขับสีเล่กันสองแบบก็คือสีแดงหรือว่าสีกดำหรือว่าสีหม่วงแล้ก็ทำมาลงใจทีใส่เป็นแก้วให้เป็นประตายแพลารมประกัยแก้วประกายจึ๊ยานี้จิตจะมีความเล็กอย่างเดียวคืออุมเบการม ดันขาเราไปขาเีอารมณ์เป็นปกติมีอารมณ์เบาอันนี้เป็นที่พอใจขมรนดาภะไกยะเท่ากันเพราะใ้เจโตปริยยานเป็นกาลังใหญ่ฉนได้เจโตปริยานเรืนพวกขุมใจก็สามารถจะชํากิเลสท่งหลายเหล่านี้ได้ให้รวดเร็วโดยฉับ เพืนี้แค่นั้นผ่านคจิตใจของท่านบนนั้นให้ได้มาลงมาิกษการศึกษาทำลายเจิดำลังกาลังของจิตและเป็นสมุเฉียเจรหาน้นได้ของวิเศษของง่ายดีแต่ส่หักในที่นี้อาจจะมาเพื่อขอนำคนบาลีที่องค์ารงจะตชีบรอนมาชาชนน่าจมาทุขจาสุ วัใในใดที่ตานุปันนามหาปฏิภราณ์หมหาวายโถชะตพื่อใหั้นก็มหาปิติได้ใช้พระปัญญาที่เจรณาเอาเองตัวมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถพอแล้วแต่ามาคิดว่าทา่านพนใดไรก็ดี ว่ามีจิตต้องการทำมักเพียงเท่านี้อาจจะมาหรือว่าจบจิตที่อาจจะมาจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติจากคน้นนั้นหรือว่ากิจการในการแนะนําใดๆจะไม่มีต่อไปอีกนอกจากคําว่าสงสัยไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งโดยเฉพาะว่าจะมาก็จะแนะนํำคนคนนั้นชอบชอบจด หรือว่าบุคคลผูดด้ใดถ้ามีจิตใจตั้งอยู่ในเจตเพอเวทงงานาโนตัศนามหาปฏิปทาสัยก็ดีจิตตาโนตัศนามหาปฏิปทาสัยก็ดีหรือว่าบุคคลใดเส้นี้เป็นผู้มีอารมณ์ะเอียดพอแล้วและสามารถจะปฏิบัติและทำคำสั่งสอนพระองค์งสมหนึ่งฉบับจีบแจ๋ จจในจบทิตในพระพุทธาศาสนาโดยฉับรับฉะนั้นคำแนะนำต่อไปนอกจากนั้ น, นจึงไม่มีหีือว่าหน้าที่ในการยแนะนำต่อไปอสมเด็่เจ้าบาลีทีองค์สมเด็จพระจินาสีทองเกตในจิตตอจปัฒนามาหาเปรษฐานั้นมีแห่ความดนนี เรก่อนที่สุขมลายก็ยางรายิกะยองที่เจรึญจิตในจิตเนียนเล็งอยู่รู้่อนที่สุขมลายที่สุดในธรรมวินนี้นั่นเอจิตมีราคะจะรู้ชัดว่าจิตมีราคะ รู้ว่าจิตไม่มีะะราชาก็รู้ชักว่าจิตไม่มีราชารู้จิตมีโทสะก็รู้ชักว่าจิตมีโทสะรู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ชักว่าจิตไม่มีโทสะรู้จ<ศ>ิตมีโมหะก็รู้ชักว่าจิตมีโมหะ รู้ก็จิตไม่มีโมหะรู้ชักก็จิตไม่มีโมหะรู้จิตหดหู่กรู้ชักก็จิตหดหูรู้จิตพุ่งก้านก็รู้ชักก็จิตพุ่งกานรู้จิตเป็นโมหรักต์รู้จิตถึงความเป็นใหญ่หมายให้จิตที่เป็นชาตสมาบัติ หรือว่เป็นอภิมัญญาก็ผิดชาติหรือว่าจิตมีผู้บริหารก็รู้ชักว่าจิตเป็นมีไม่เป็นมโหราพุทธหรือว่จิตไม่เป็นมโหราพุทธก็รู้ชักว่าจิตไม่เป็นมโหราตุทธก็จิตไม่เป็นชาตจิตไม่เป็นอันนาอภิมัญญาใน่ผู้บริหาร ธรรมะปัญญาในตมิหันหมายความมีความได็ตาไม่มีขอบเขตมีความตุนนาไม่มีข้อเิดมีจิตปัญญไม่มีข้อเิดมีจิตความเฉยไม่มีข้อเิดแต่ว่าเปัญญาปัญญาในตมิหันเกี่ยหมายความว่ามีก็มีหันของจ MM <hein? S 1> ิตหาประมาณได้ ก็ต่อไปร็ตัด่าหรือจิตเป็นโสตระตัวตามมาว่าจารจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่ถึงอุะจาและสมาธิก็รู้ชักว่าเป็นจิตโสตระอันนี้หมายความว่าจิตตัวนี้ส่วงนี้ด้วยอารมณ์จิตในขณะ น, นี้เป็ น, นจิตของจิต พระองคทีามแล้วพรเป็นเครื่องอย่างที่ท่านอาจารย์เท็จกล่าวเครืร่อ ง, งนี้เป็นเครื่องบูชแต่ว่าเป็นเครื่องบูลสัส้นเป็นบุชปรเภทแค่คณิกสรสมาธิฏฐรว่าจิตน้องบรด้านการ ม, มาวจอนเพื่มีความพอใจในในบูช ที่ว่าเป็นการสี่อถว น, า, น, นาอย่างย่อแต่าต่อไปนันเราอยู่ใ น, านการนนามาพจนใครข้ัอุปจารในข่พักนิพพานิสตามาธิไม่ถึงอุปจารสามาติก่อรูเมื่อเว้านี้จิตเรา ม, มีอารมณ์ันในด้านของกุศลเพื่อกตกอยู่ในด้านของกุศลกามระบบสาหตุการ จิตพอใจในตารให้ภานพอใจในการอาศสินพอใจในการเจริญวนาแต่ิอย่างจิตยังเล็กหรือว่าจิตแย่โนตระกามาวจรจิตไม่มีจิตยิ่นยิ่งกว่าหมายถึงว่าเอาจิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิทั้งว่าตามาวจรจิต ที่าอุปจารสมาธิไม่มีจิตที่เป็นตาวาจรอกวนญฺญาณเพราะว่าจิตเข้าถึงกาวจรสวรรค์สูงสุดท่านอุปจาระสมาธิแลรู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตร์ห่าจิตตั้มันรู้ชัดว่าจิตกา้มันตัวนี้เป็นชาเป็นอัตโนาัติสมาธิ เพราจิตไม่ตั้มันก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้มันเพราจิตมีมุดเรุ่อนด้วยการทันวิมุและน่ธรรมวิมุดก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมุดทีหมายความว่าเวลานี้จิตของเราตระหนักระนักี่เลสเป็นลังของฌาก็รู้การกำลัง จิตวนี่ไม่ใช่เป็นการตัิเลสแต่เป็นการตัิเลสในกาลังของฌานเท่านั้นราะจิตยังไม่มีโมทใครดูคนก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่มีโมดให้ ก, ใ ก, กลาต่อใจว่าดงนี้ที่สุกย่อิา์จิตในจิตเป็นภายในใม่าดูยินนายเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกใด ย่อมที่จะนัยเห็นจิตในจิตทั้งภายในรร <C else> ยทั้งภายนอกไย่อมพิจนัยเห็นรรมดานิยมเนความเกิดขึ้นในจิตป <empezar> <ordo ở> <establishing> mm ันจย่อมพี่จนัยเห็นรรมดานิยมเความเสื่อมไปในจิตปัจจย่อมทิ่จะนัยเห็นรรดานิยความตั้งตินั้นความเสื่อมไปในจิต พอรู้ว่าสติวาต่าจิตมีอยู่ข้าไปยันอยู่จะพ้นหน้าจะเท่นั้นเทียเทียงสั ต, ตว์แต่ว่ารู้เทีเทียนสัตาวแต่ว่าเป็นเพียงาายลิกเพื่อยไม่จติดอยู่ไม่ยึดแย่อะไรในโลกทั้งหมดด่วยดูก่อนที่สุขหลาย สุจ้อมินาเห็จิตในจิตอย่างนี้เนียนอยู่อย่างนี้แล้วดังนันว่าแต่แก็จะเอามาเจสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสงของจิตตอนที่ถวายสะพนระมหากรุติมาแล้วตอนนี้เวลายัลืออยู่ การมองข้าตายายานนิดนึ่งพอองค์สมณะทงบใจแก่ไปพยายามใช้สติคุมจิตพยา่ามรู้อาการเคลื่อนไปของจิตว่าจิตมีราขะหรือว่าม่มีราขะถ้าจิตมีราขะควรจะใช้อะไรเข้ามาัด จิมีแรงแทก็ใช่ว่าถ้าสุภดมัรมฐานตักระจะขาดมโนภาพนี้มาจิถ้าจิตไม่มีแรงแทก็ควรจะยึดขนิวานตัได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาธรรมดาเป็นที่ตันงหาธรรมดาให้พบปยถ้าจิตไม่เกถ้าจิตมีโทราัจะรู้ชัดวจิตมีโทรศั์ จิตอโตก็หาควมีหาธรรมะสูอยูอบบ่กสิ้ น, น, นสีธสูตถ้าจิตไม่มีตัวจมีอารมณ์สบายก็พยายหากฎธราดาเข้ามาใส่ไ ว, ว้ในจิตให้รู้ทุกณาจิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดา โมหะเรูจิตโมหะจิตโมหะแก่ด้วนอาภัมสติตธรรมชาติโมจิตมีอารมณ์สันโดมารมณ์เบื่อว่าอักโมหะก็หาอารมณ์ธรรมดาสธมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรคนจะเป็นเพื่อิถ้าจิตอดหูเรูจิตอดหูจอดหูจะมี ต้องด้วยแต่อนุสติของประกาศไม่พูดถุงอันุสติท่ต้องหรอวาเขากระทันคําสั้งต้อยกองค์ทุกเดชทุกสังในด้านของก็โสดเข้ามาช่วยถ้าจิตปุ้งสร้างจรู้ว่าจิตปุ้งสราจิตปุ้งสร้างก็แก้้วยการสองอย่างตืวอนาปานุิติจรมานหรือว่าใช้อารมณ์ที่แจ้งม หรว่าคอยควรตามกระแสของกระแสที่เบาๆทำให้ใจมีความสุขเป็นว่อะไรคือความเป็นจิตที่มีชาตสมาบัติหรือว่ามีกรรมวิหารที่เป็นธรรมเนียร์่อาจจะแฉจิพระมาหาบอกว่เป็นปกติมีชาติสมาบัติ แต่ก็มีควมมีหันไปทางปัญญาแต่แล้วความเวลาอย่างเอกนี่ก็เข้ามาแทรกจ่กจิกนิดนึงก็ใช้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้นั้นให้เป็นประโยชน์แต่จิตเป็นฌ า, านก็นดีเจิตเป็นจิตไปทางปัญญาในความมีหันก็ดีเ ม, มื่อจิตมีามอมารมณ์โสจิตเป็นสุขอย่างนี้หาธรรม ด, ดาเสียทุก จมีอะไรนคอหาฌานไม่ได้หาปัญญาไม่ได้ก็รู้อยู่อันนี้ก็ต้องหาคว้าหาสอองค์สมเด็จพระรนาเวลานี้จิตมีอะไรเขาม่านแต่นนั้นไขถ้าจักไามีเงนสาจริงๆก็ช้าสบายเด จิตใจอุตระคืกามวจานจิตนี่จิตอื่นยิ่งกว่ายังไม่ถึงอุปจารสมาธิพยายามกวบคุมกาลังใจให้เข้าถึงอุปจารสมาธิรมื่อจิตใจนุตระคือกามาวจานจิตไม่มีจิตยิ่งกว่าเป็จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิควรจะพยายาค่อยๆควบคุมกำลังใจใช่ต่อถึงฌานสมาบัต เมื่อจิตตั้งมั่นชื่อเท่าลิชามสมาบัติเมื่อจิตโงมอยู่ก็ต่จิตโยตามสบายถคาจิตแผลล้านก็มาดูอุปจฌาอสมาริประจากษธรรมดาให้ได้เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็หาางนัจิตไตั้งมั่นเอกการของใจอย่างไรอยาง ว่แต่ใจเขกจะมฐานที่หกักท่าเพื่อทาลายกาลังของชาติ่าจิตมีความหลุดพ้นด้วยกำลังของชาิานนชาก็รู้ว่าจิตมีความหลุดพ้นในต่างของชาติกรีความรู้สึกด้วยว่ากลังเที่ยงตรงนี้ยงไม่พอตั้งต่อเพื่อลังิปัสสงาอย่างให้ต้องเสียสันคาลุติคาอย่างใได้ว่า ในหลุดพ้นกรู้รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้เพราะนั้นว่าในแท้พระสัตมวติสัมมาภะโอมสมเด็จพระจินทร์สีในด้านเวทนาโนปัจนามาหาปฏิปปฐานพอดีจิตตาโนปัจนามหาปิปปฐานพอดีถาเมาขอเวดา ที่เจรนาเขาประมาทปกติว่าการเขาว่าการญาติบ่ายถวายไปยิ่งกว่านี้อาจจะมาเห็นว่าไม่มีเลยทั้นี้เขาว่าพระมหาปกติมีพระวิชาสามารถมีความเชีย่ยวชาการที่จะสามารถทำจิตให้พ้จากกิเลสเพื่อสมุทัยประมาทได้ การทีเจะนตาเจ้าสสยพระราชนั้นมาทำให้เมในกายก่อนมีพระราชาสงในธรรมะเป็น้นซึ่งพอใจทัานเปิดทัานที่และท่านเกิแต่ว่าเวลาที่พระมหาบุตรมีพระราชาสงเฉพาะแต่ล ฉันกอาจะมาจิอถวายแบบพอเกิเช่นนี้แต่ถาฉันมาวายแนี้อาจจะมาว่าจบจิตในทางที่จะถวายสะพอต่อไปในด้านธรรมนอกจากนีะมาหาวิจจะมีความสงสัยในเวทนาหรปัสนาหรือว่าจิตตานุปัาก็จะทวายสะพอแก้ไขปัญคนั้นไ การมาเป็นขอแต่ไว er ้จะขอให้สงสยว่ากมานี้ไม่ใช่สันิรธสัยไม่ใช่รู้อะไรอะไรเสมอมีองค์เดียวกับอง์สมเด็จพระบรมศุภทีรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรขัด้องแต่ว่าความสงสัยใดๆที่นำมาหาบุตรจงาร ยิ่งนั่งทำในเ้ื่ความสมารถก็มายกทำอะก็จะตองไหวใ้อให้ตรงใจแค่ยินใดที่เกินที่ใส่ละนมาที่จะถวายละพอได้จนปฏิบัติยากก็ต้องถวายต่อไปตอถวายตับ